ตอนทอดกะถินสามคัคคีวันที่17ตุลาคม2559ก็ขอากราบนมัสรรการพระกุณเจ้าสามเณรคุณแม่ชีกันละไม่ทุกท่านนะตามโปรแกรม10โมงครึ่งเรามีการถวายผ้ากะถินนะแต่มันก็ต้องเตรียมพร้อมก่อนก็การสื่อสารไม่ไม่ค่อยตรงกันหน่อยนะ ก็เรามาเริ่มเก้าโมงนะทุกปีเนี่ยพอถวายผ้ากรถินเสร็จพ่อคูก็ค่อยบรรยายสรุปนะก็มันจะเลยเวลาฉันเพนก็เลยว่าเรามาจัดทุกอย่างให้เสร็จแล้วก็ถวายผ้ากรถินเสร็จแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านให้พรแล้วก็ถือว่าเสร็จพิธีแล้วก็ถวายอาหารเพนกันนะก็ไม่เป็นไรก็พ่อคูจะเริ่มเลยนะ คือสรุปว่าพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เป็นอีกปีหนึ่งพรรษาหนึ่งที่ดาเนินมาด้วยความราบเรื่นส่วนสังคมใดก็ช่างมีคนสองคนขึ้นไปเนี่ยต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างจริตมันเป็นเรื่องธรรมดาอชอบไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันนะความแตกต่างทางความคิดเป็นเรื่องของความสวยงามเหมือนดอกไม้น่ะถ้าสีเดียวมันจืดนะต้องมีหลายๆ สีอยู่ด้วยกันอยู่ในใจกันนันเดียวกันถ้าเรามีสปีตมีสตินะทุกคนมีทิฏฐิด้วยทุกคนมีอัตตาด้วยแต่ต้องเราใช้สติเรามาฝึกสติทำไมฝึกสมาธิฝึกปัญญาเพื่อให้มันรู้เท่าทันอารมณ์เรารู้เท่าทันอัตตาเรานะถ้าเรารู้เท่าทันมันน่ะความแตกต่างเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นความสวยงามนะ แต่ทุกปีที่ผ่านมาที่นี่ก็ไม่ถึงมีขั้นว่าขัดแยง้งไม่มีขัดแย้งแบบว่ารุนแรงต่างคนต่างความคิดเป็นเรื่องธรรมดานะเราก็มาถึงปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งพรรษาหนึ่งที่ผ่านไปด้วยดีนะแล้วก็จริงๆแล้วช่วงวันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นเรื่องของวันเข้าพรรษาเป็นเป็นวันของพระภิกษุสงฆ์นะเรียก ว, ว่าเป็นวันพระสงฆ์ก็ได้นะพระสงฆ์ซึ่งเป็น พุทธบริษัทสี่ผู้นําแนวหน้านะเรียกว่าเนื้อนาบุญของพุทธเจ้าทีนี้ช่วงเข้าพรรษาพระพิสุสง์เนี่ยต้องจําปรรษาสามเดือนนะเนรม่ชีญาติโยนก็อาศัยเนื้อนาบุญตัวนี้เนี่ยนะก็มีสิทธิ์ที่จะร่วมด้วยเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นของพุทธบริษัทสนะก็อาศัยเนื้อนาบุญนี่ที่ท่านเข้าปรรษาส่วนหนึ่งก็ได้มีมาอุปถากท่าน นะให้ท่านทำหน้าที่ท่านอย่างสมบูรณ์นะเรื่องกระถินนี่เหมือนกันน้ำเป็นประเพณีถ้าสมัยโบราณนะไม่ต้องโบราณหรอกเอาแค่ก่อนปีสนะี่ศูน์ะก็เกือบยี่สิบปีที่ผ่านมานะผู้ที่มีสิทธิ์ถวายผ้ากระถินนนะส่วนมากต้องเป็นคนที่มีมีฐานะนะพอเขารับกระถิน่นเขาจองกระถินแค่คนเดียวนะคนอื่นไม่มีโอกาส แต่หลังจากเศรษฐกิจปีนั้นไม่ดีเมื่อไหลายปุ๊บเนี่ยกรถิ่นแบบนั้นแทบจะไม่มีนะก็เลยมีการทํากรถินสา ม, มัคคีนะปกติแล้วการถวายผ้ากรถินนี่แค่ผืนเดียวก็จบนะคือพิธีกรรมทางศาสนาทีนี้เหตุปัจจัยในโลกนี้มันเปลี่ยนนะพ่อครูอยู่ที่นี่ยี่สิบปดปีพราครูเห็นความเปลี่ยนแปลงมีสิ่งก่อสร้างขึ้นมาเร็วมากพรอครูนี่มีจริตถ้าเป็นจลิตคือไม่ชอบสร้างอะไรเลย พราครูย่าคิดว่าในป่าตรงนี้เนะี่ยมันเป็นป่าละเมอนะ20ปีไม่ไปไหนสิเดปีไม่มีไฟฟ้าสิเดปีแรกไม่ได้สร้างอะไรเลยเร า, เามีศาลามุงด้วยหญ้าคานะ เ, าเขาเรียกว่าสงบเย็นนะแต่ทีนี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนเมื่อถนนเข้ามาในหมู่บ้านนี้ไฟฟ้าเข้ามากิเลสเขาก็ตามมาด้วย ทีนี้พอกูดูขึ้นอารมณ์ของกัญยนิดที่เข้ามาใช้ศูนย์ตรงนี้เนี่ยบางเพ็นเพียนนะเอาแค่20กว่าปีก่อนกับปัจจุบันนี้ต่างกันฟ้ากับดินสังคมเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะเราก็พยายามสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้มันคนมาปฏิบัติในพออยู่ได้ก่อนหน้านี้ไม่มีที่พักนะใครมาต้องตั้งใจมาจริงๆเมื่อมีไฟฟ้าเราจุดเทียนกัน ใช้ตะเกียงกันนะทุกคนไปปักกดกลางเต็นอยู่ในป่าห้องน้ำก็ไม่ดมีดีขนาดนี้นะอันนั้นคือเขามุ่งมั่นมันเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน น, น, นะเมื่อไฟฟ้าเขามาแล้วแล้วคนยุคใหม่เนี่ยนะมีมาจากภูเก็ตหลายปีก่อนนะเออศรัทธาคำบรรยายพ่อกูศรัทธ า, ส, าสิ่งที่พ่อกูพูดนะมาถึงตุบเขาอยู่ได้คืนเดียวนะ เขาร้อนมากนะเขาบอกว่าเขาจะถวายแอร์พระครูได้ไหมนะพรอครูว่าที่นี่ไม่รับเพราะว่าในการใช้ไฟฟ้าเนี่ยต้องต้องช่วยกันดูและนะถ้าเราใช้อย่างไม่ระวังเนี่ยเหมือนเราเป็นคนหนึ่งร่วมสังกกรรมทําให้โลกร้อนพ่อครูพยาพยามพยายามพยายามจะทดลองเรื่องออโซลาเซลล์พลังไฟฟ้าอยู่เนี่ยนะแต่ที่นี่เงื่อนไขทางหน่วยงานองค์กรไฟฟ้าเน้น ตอนนี้เขาประกาศเสรีแต่ว่าพอเดินเรื่องแล้วมันไม่ได้เสรีจริงๆเสรีเฉพาะเจ้าใหญ่ๆเป็นฟาร์มเป็นพันล้านหมื่นล้านนะส่วนรายย่อยเนี่ยไม่ได้รับความร่วมมือนะก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้พลังงานธรรมชาติโดยไม่ให้โลกร้อนได้เนี่ยเราจะติดแอร์ทุกห้องเลยเพรากูก็ไม่ว่าอะไรนะที่จริงแล้วเราถอยมานี่เรามาปฏิบัติเพื่อเราลดละเลิกแต่พวกเราถอยมา ยุคสมัยนี้เราลดละเลิ ก, เลกได้แค่นี้ถือว่าเก่งมากๆแต่ถ้าเราไปย้อนทำเมื่อ30ปี20กว่าปีก่อนเนี่ยหลายคนทำไม่ได้เพราะครูยอมเปลี่ยนเพื่อจะให้นะจริงๆแล้วพว่อครูไม่ได้ชอบเรื่องสิ่งปลูกสร้างมากพก่ะครูหนีมันมาวัตถุนิยมนะแต่ไม่ใช่ว่าเราตัวเองเป็นที่ตั้งเอาจิตเป็นที่ตั้งคนอื่นก็พลาดโอกาสนะสังคมเปลี่ยนเร็วมาก นะพ่อครูก็ยอมเปลี่ยนแต่ต้องเปลี่ยนอย่างพอดีอย่างระมัดระวังนะก็ช่วงหลังนี่เราจึงเนื่องจากว่าตั้งแต่พ่อครูเปิดศูนย์นี่มาเนี่ยพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็ทุดงมานะส่วนมากไม่ได้นัดหมายท่านมาเองแล้วก็ตามประเพณีแล้วนะ่ยถ้ามีพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์จาพรรษาที่ไหนครบห้ารูปขึ้นไปเนี่ย ถ้าจะให้พรรษาสมบูรณ์เนี่ยต้องมีการถวายผ้ากรถินนะแล้วก็ทํามาตั้งแต่เปิดศูนย์จนทุกวันนี้เนี่ยไม่มีปีไหนขาดกรถินแต่กรถินเปลี่ยนแปลงไปนะคือต้องเป็นกรถินสามัคคีพวกครูก็บอกดีเอ่อพวกครูบอกว่าดีนะทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไม่ใช่จะให้พนเขามีสตัง์ดีวยวคนมีฐานะเท่านั้นถึงจะทําบุญได้นะ เรามีบาดเดงไม่มีบาดเดงก็ช่างเราใช้แรงงานมาช่วยกรถินเราก็ได้อารยสงด้วยนะโดยเฉพาะพระครูไม่ได้ติดที่ตัวเลขแต่ตัวเลขมันทําให้เราเห็นสะท้อนให้เห็นภาพของสังคมนะเรื่องวิถีเศรษฐกิจทุกวันนี้นะมันทําให้เราเห็นแค่นั้นนะเห็นเพื่อให้เราระวังตัวนะไม่ใช่ไปหลงมันนะที่ศูนย์นี้เราทําอย่างนี้มาตลอด มีแล้วก็ทำให้มันพร้อมทำให้ใครนะไม่ได้ทำให้พ่อกูนะยังแล้วต่อสาลาแบบนี้เนี่ยบางคนโอ้เขากลัวพ่อกูเหนื่อยนะคนรักพ่อกูมากพ่อกูไม่ต้องทำหรอกเหมือนเราหาเรื่องทำละทำทาไมก็ทำให้ใครละนะบางทีสาลานี้แบ่งเป็นที่ผ่านมาสามช่วงนะอันนี้เป็นช่วงที่สี่มีปัจจัยแค่นั้นเวลานั้นก็ทำแค่นั้นทีนี้คนเยอะขึ้น และไอแนวเรามันไม่เหมือนมันไม่มีแนวเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธิเฉยเฉยเนี่ยศาลานี้บรรจุเป็นพันสองพันคนก็ไม่เป็นไรแต่แนวนี้มันเคลื่อนไหวอะนะใช้พื้นที่เยอะทีนี้ถ้าเราระบีตัวเองเนี่ยมันก็ทําเท่าที่เราทําได้มันไม่ได้ปลดปล่อยเต็มที่นะเราก็พ่อครูมีประสบการณ์ตัวนี้นะตั้งแต่ตัวแรกเราอู้พ่อครูขยายทําไมมันมันพอแล้วพอขยายปุ๊บยังไม่กี่วันมันก็เต็มอีกแล้ว นะพราะขยายปุ๊บเอาอย่างละพูดคําเก่าว่าพกูขยายทําไมนะเขากลัวพกูเหนื่อยนะมันก็เต้นอีกแล้วจริงๆแล้วหลายองค์กรหลายโรงเรียนเนี่ยติดต่อมาหลายครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีข้อจํากัดทั้งเรื่องที่พักด้วยคนทุกวันนี้ปล่อยให้ไปนอนป่าได้ไหมไม่ใช่เขาเสียแซงนะเขาทําไม่ได้เมื่อเขาทําไม่ได้เขาก็พลาดโอกาสไม่มีหรอกสมัยก่อนจะว่าไอ้ไอ้ไอ้หม้อทําน้ําอุ่นอะไรอะไรนี่ไม่มีไฟฟ้าก็ยังไม่มีใช้เลยนะ แต่ตอนนี้บางคนมาอากาศเย็นหน่อยเขาอาบไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ผ้าโอกาสในการที่การให้เนี่ยต้องไม่มีเงื่อนไขนะต้องไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะจริ ง, รงๆแล้วพ่อครูเลือกชีวิตแล้วหลังจากเกิดอาการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยพระครูเลือกมาอยู่ในป่าสําหรับตัวเองแต่ทีนี้สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มันก็เปลี่ยนไงเราแกล้งว่าเอ้เราหยุดแล้วเราแกล้งไม่เห็นเมื่อเราเดินไปเห็นสุภาพจิตคนหนึ่งตกน้ํากําลังช่วยด้วยช่วยด้วยบอกเอ้ ฉันไม่ยุ่งเกี่ยวฉันเดี๋ยวฉันจะไม่สมรวมทําได้ไหมเราแกล้งไม่เห็นได้ไหมถ้าเราเดินไปนี่เราฆ่าสัตว์แล้วนะนี่ฆ่าแล้วฆ่าโดยไม่ต้องฆ่านะนะคือเราไม่ช่วยชีวิตนะเพราะคูเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมมันแรงขึ้นแรงขึ้นทุกวันเราก็ยองเปลี่ยนนะเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสมาแล้วพออยู่ได้นะเราฝืนมากเคยยุ่งเทพนอนห้องแอร์มาอยู่ที่นี่ ร้อนเพราะกูว่าถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยนะวันไหนไฟดับหมดกรุงเทพดับแค่สามวันหน่อยคนกรุงเทพนี่เป็นบ้าหมดนะเราพูดเล่นๆมาลหลายๆปีแล้วพูดเล่นๆอ่ะแต่ว่ายังไม่มีเวลาทําจริงๆเนะี่ยโดยเฉพาะเด็กอนุบาลเราเนี่ยช่วงหน้าร้อนเมษาเนี่ยกังวลเขานอนนี่ยเขาร้อนมากแต่เขาก็นอนได้เพราะกูวันใดวันหนึ่งเพราะกูมีสตันเพราะกูจะติดแอร์ให้เขาถ้าถ้าแอร์นั้นมาจากโซล่าเซลได้ไม่ต้องไปเอาไฟหลวงซึ่ง ทำลายสิ่งแวดล้อมจะเป็นการสร้างเขื่อนอพลังงานกระชัางมันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมนะแต่ถ้าเด็กที่นี่ติดแอร์แต่เราก็สอนเขาอย่าไปติดแอร์นะอยู่แอร์ก็ได้ตากแดดก็ได้นะไม่ใช่ร้อนนักก็มักอ้างว่าเย็นนักก็มักอ้างว่าคนต่อไปเนี่ยต้องสะเทินน้ำสะเทินบกนะก็ที่นี่เนี่ยเมื่อสังคมมันเปลี่ยนคาว่ารู้ทำเนี่ยไม่ได้ไปรู้ว่าบาลี รู้วิชาการไปท่องจำรู้มากแล้วก็ทะเลาะกันอันนั้นไม่ใช่ว่ารู้ทมอันนั้นเรียกว่ารู้วิชาการเป็นแค่องความรู้ขยะความรู้รู้ธทมคือรู้ความจริงรู้โลกอย่างแจม่มแจ้งว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปยึดมัน่นถือมั่นในอุดมการก็ซสื่อบือ้อเื้อบือ้อนะก็ทาอะไรเนี่ยเออเนี่ยคนยุดใหม่เนี่ยเขากาลังปฏิเสธศาสนาแล้วเพราะศาสนาไม่ตอบโจทย์ ในชีวิตแบบสมัยใหม่เข า, าศาสนาปีกหลีนะคนที่เขาทุกข์เขาวิ่งมาเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็เลยว่ า, าศาสนานี่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตเขาแล้วเขจะนับถือาศาสนาทําไมนะหลายปีก่อนพราะกลัวตัวเลขไม่ให้ดูนะาศาสนาคริสเนี่ยผู้นับถือาศาสนาคริสเนี่ยหนึ่งในสามของโลกนะหนึ่งในสามของโลกาศาสนาอิสลามเนี่ย หนึ่งในสี่ของโลกนะแล้วก็ลดหลั่นลงมารู้สึกฮินดูนะแล้วก็สามแล้วก็ธรรมดาสีศาสนาใหญ่ๆคือมีพุทธด้วยแต่พุทธเราเนีย่ยตกไปที่ห้าที่สี่คือใครที่สี่คือคนไล่ศาสนาแล้วมันแนวโน้มว่าคนที่ไล่ศาสนาจะมีมากขึ้นเพราะศาสนาไม่ตอบโจทย์ชีวิตเขาโดยเฉพาะพุทธ ลูกหลานรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ไปไหนไปปฏิบัติธรรมก็ไปนั่งปิดวาจาอยู่สิบวันสิบห้าวันกลับมาถึงบ้านต้องบ่นแก้แค้นเด็กมันไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมันจะศรัทธาได้อย่างไรตอนนี้เขาหนีไปอยู่ที่ไล้ศาสนานะมันจะมากขึ้นนะศา ส, สนาพุทธอยู่ที่ห้าแล้วก็ที่หเนี่ย ถือผีถือสางนะถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะแล้วต่อไปก็ศาสนาเล็ ก, กๆน้อยๆจริงๆแล้วเนี่ยพวกครูเนี่ยก็ศึกษาพอสมควรนะก็แม้กระทั่งไอสไตน์หรือนักวิศวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่หลา ย, ลายๆอย่างเนี่ยถ้าเขาศึกษาปุ๊บเนี่ยเขายอมรับศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้สอนให้หลงงมงายไม่ใช่ศรัทธาแบบหลงงมงายง่ายๆนะ เขาสอนให้เกิดปัญญาและศาสนาพุทธเราไม่ขี้เหนียวไม่ใช้อุบายว่าเธอห้ามไปนับถือศาสนาอื่นบางศาสนาเนี่ยลูกสาวแต่งงานพุทธใครจะเป็นลูกเขยต้องเปลี่ยนศาสนาเหมือนเขาเขาพยายามจะรวมให้ศาสนาเขามากขึ้นแต่พุทธไม่ได้สอนอย่างนั้นพุทธสอนให้เกิดปัญญานะแต่ตอนนี้เนี่ยพุทธเราทําหน้าที่ได้ผลหรือเปล่าไอไฟอนุรักษ์นิยมที่อนุรักษ์ของเก่าๆนั่นแหละนะ แบบไปอยู่ในป่าเนี่ยตอนนี้มันไม่มีป่าอยู่แล้วนะไปยูป่าลึกใหญ่กระชั้นขึ้นโทรศัพท์ไร้สารก็เข้าไปเทคโนโลยีเข้าไปนะเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันก็ไม่สงบแล้วเมื่อสังคมมันเปลี่ยนเนี่ยถ้ า, าศาสนายังทําแบบนี้อยู่เนี่ยนะนะเขาจะออกบดและาศาสนาเองตอนนี้เนี่ยก็ทะเลาะกันเองเนี่ยไม่ใช่ส่งเสริมกันคือไล่คนที่เขาคิดต่างเราเนี่ยออกจากาศาสนา มีคนมาขอร้องพระครูเนี่ยหลายปีก่อนนะเป็นครูบาอาจารย์ที่เราสนิทกันมากเ้าก็ห่วงพระครูเขาอยู่ในวงการศาสนาท่านก็รู้ว่าส่วนมากเขาคิดยังไงขอร้องให้พระครูตั้งรัที่ใหม่เลยพ่อครูว่าทําไมเหรอใครเป็นเจ้าของศาสนาพุทธบอกพระครูหน่อยสิไกลแค่ไหนพระครูจะไปขออนุญาตท่านใครบอกพระครูได้บางใครเป็นของของศาสนาถ้าใครคิดต่างเหมือนท่านนะ่ะเธอไม่ใช่พุทธอะไรเนี่ยนะพุทธคืออะไรรู้ไหม เห็นไหมกายเป็นว่าเราจะส่งเสริมให้คนเข้ามาเข้าศาสนาลูกหลานเราให้ศรัทธาศาสนากลายเป็นว่ามาทะเลาะ ก, กันให้มันเบื่อศาสนานะโดยเฉพาะเราอยู่ร่วมกันพรรษาหนึ่งที่วัดนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ช่างคนไม่แค่ไม่กี่คนเนี่ยเราก็มีทิฏฐิมรณะกันแล้วลูกหลานเราคนข้างเคียงเขาได้ยินข่าวเนี่ยเขาจะศรัทธ า, าเราไหมนี่แหละทุกอย่างอยู่ที่สํานึกถ้ายุคนี้เนี่ยเราไม่ระวังนะ เราจะถูกความคิดแบบแบ่งแยกแข่งขันเสรีเนี่ยมันไม่ละวันวันเราแต่งตัวแบบไหนล่ะมันเข้าไปได้หมดล่ะเห็นไหมโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสถานที่ที่รักษาโรคนะแต่ตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยกลายเป็นที่แพร่เชื้อโรคติดเชื้ออยู่ที่โนนคุณหมออายุสั้นศาสนาเหมือนกันศาสนาเป็นองค์กรที่ปลดปล่อยให้มนุษย์พ้นทุก แต่คนในศาสนาทุกวันนี้ถ้าไม่ระวังเนี่ยนะไ ป, นไปเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองไปเพิ่มทุกข์ให้ผู้คนในศาสนานะบางทีญาติโยมเนี่ยเขาเป็นผู้คลองเรือนเขาไม่มีโอกาสได้เรียนรู้พุทธธรรมอย่างแท้จริงแต่ผู้เจ้าก็สอนให้เขาใช้อุบายว่าเธอต้องทํามาหากินและต้องแบ่งปันเวลาเนี่ยไปทําบุญเลี้ยงพระเลี้ยงเนเลี้ยงชีเพราะท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นนักบวชนะท่านต้องมุ่งมั่นศึกษาธรรม ท่านไม่ต้องทํามาหากินเห็นไหมพุทธศาสน์พุทธบริษัทสีนี่ก็จุนเจือกันมาอย่างนี้พอญาติยอมไปทําบุญปุ๊บนะเลี้ยงพระพระคุณเจ้าฉัานก็กลัวเป็นหนี้เราท่านก็เอาศึกษาธรรมะที่ท่านศึกษาแล้วเนี่ยมาให้ธรรมาทานเราญาติ ย, ยอมได้ให้วัตถุทานพระฉันก็ให้ธรรมทานต่างคนต่างได้ได้ให้ไม่ต้องเป็นหนี้กันแต่ตอนนี้เนี่ย หลายส่วนเนี่ยต่างคนต่างไม่ทําหน้าที่ญาติโยมมียมัวจะหาเงินหาเงินเพราะมันไม่รวยชั่วทีหนึ่งจะมีส่วนเกินที่ไหนไปเลี้ยงพระพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ถ้าไม่ระวังก็ถูกไอ้เทคโนโลยีถูกไอ้ข่าวสารแบบโลจียะมาครอบงําอีกอันนี้พระครูพูดความจริงนะนะแต่แม้กระทั่งเนนชีน้อยพระคุณเจ้าบวชแม้กระทั่งวันหนึ่งพระครูก็กราบไหว้พระครูให้เกียรติถือว่าท่านมีจุดเริ่มต้นที่ดีต้องให้กําลังใจกัน เราก็ทําได้แค่นั้นส่วนจะดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่บุคคลแล้วนะว่าเขาจะมุ่งมั่นแค่ไหนเพราะครูพูดหลายปีแล้วถ้าจะเดินทางเส้นนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีนิพพาน เ, นเป็นเป้าเนี่ยเราจะหลุดนะทีเลื่ตันหาอุปทานลักรรมที่เราสร้างมามันไม่ยอมปล่อยเราไปง่ายๆเห็น ไ, ไหมถ้าคนปภาวนาตัวเนี่ยยิ่งมาช่วยกันจันลงศาสนาแล้วก็ทําไม่จริงเนี่ยนะอันนี้เป็นบาปนะครับ หมายถึงว่าเราทำลายองค์กราศาสนาทำให้ผู้คนไม่ศรัทธาอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำดีกว่านั่งอยู่เฉยๆก็ไม่ติดลบแต่ถ้าภาวนาตัวจะทำแล้วเนี่ยผู้เจ้าเตือนว่าอย่าประมาทอย่าล้อเล่นก็สองวันนี้เนี่ยที่ศูนย์ก็มีเหตุการณ์เอ่ยชื่อก็ได้คุณพ่อหมอยานะนะว่าโทรมาที่โรงพยาบาลใหญ่ว่าหมดแล้วล่ะ พ่อคูเตรียมงานศพเลยนะนะเราก็จองลงศพอะไรมานะถ้าใครบ่นว่าร้อนนะพ่อคูมีที่ให้อยู่นะ <c oughs> ใครสมัคก็ได้นะถ้าใครเบื่อโลกมากทุกข์มากๆเนี่ยอย่าอยู่เลยนะโน่นไปอยู่ห้องแอร์คนโบราณเขบอกไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาเนี่ยลงศพไงนะทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่เห็นลงนะเห็นคนตายเลยเนี่ย ก็ไม่หลังน้ำตาหมายวามว่าทุกคนร้องไห้คนรักเราชูนจะร้องไห้แต่ว่าจิตไม่มีสำนึกเนี่ยไม่หลังน้ำตาจิตมันไม่หลบับไม่จังตายใหม่ก็ร้องไห้อีกเนี่ยไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตานะบังเอิญเคยได้ยินไหมตายแล้วฟืน้นเมื่อเช้าพูไปเยี่ยมคุณพ่อนะนะแกก็กล่กาบพ่อกูแกบอกแกลอดตายละ แกบอกขอเวลาอาทิตย์หนึ่งแกถามว่าศาลานี่ปูเสร็จหรือยังนะพระกูบอกคุณพ่อไม่ถึงอาทิตย์หรอกพักผ่อนเชื่อพ่อกูทีนี้วงการแพทย์เขาก็รู้แค่รู้พอวัดบุบวัดพูทหัวใจโตตายน่วนเลือดแค่นี้นิดๆหมอห้าหคนแกมาวันแรกที่มานะไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง แตบอกคืนนั่นนะหมอสี่คนหมุนเวียนกันมาสี่คนพูดไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งแต่ที่เหมือนกันคือครูเธอตายแน่แน่ไม่กี่ชั่วโมงตายต้องรักษาต้องรักษาไงพ่อบอกพาฉันกลับพาฉันกลับตอนนี้คุณพ่อเขายังอยู่กับเราเพียงแต่ว่าจิตวิญญาณเมื่อมันตื่นขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่มีทุกขเวทนากับกับขันห้านี่นะเขาก็อยู่ได้ระดับหนึ่งส่วนร่างกายเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมว่ามันส่งผลทางร่างกายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนกระเจ้า แต่ถ้าเราฝึกจิตเนี่ยถ้ามันจําเป็นต้องตายเราก็ตายอย่างสงบนะแล้วไปยื้อชีวิตไม่ได้หรอกนะแต่ตอนที่มันยังไม่ตายเนี่ยอย่าไปทุกข์กับมันเห็นไหมวิธีนั้นถ้าเราวางได้เนี่ยผู้เจ้าบอกว่าตกบันไดพอยโจรไหนไห น, ไหนมันก็ต้องตายถ้าจิตวางขันห้านี้ได้เนี่ยบรรลุธรรมเนี่ยตกบันไดพอยโจรไปสู่สุคติแล้บรรลุอีกขั้นหนึ่ง ร้อยปีของเราเนี่ยดำรงชีวิตเพื่อวินาทีสุดท้ายนะสังขารร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่ของเราแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นก็ของเรานะเพราะคุณไม่ได้ว่าพูดว่าหมอดีไม่ดีนะคุณหมอต้องเป็นคนเก่งมีความพยายามถึงจะสอบหมอได้แต่ขบวนการรักษาโรคทุกวันนี้มันแฝงด้วยธุรกิจนิยมไปขู่คนไทยเพื่อทาธุรกิจเห็นไม คุณ พ, พ่อเขพิสูจน์แล้วไงสองสามวันแล้วเนี่ยหมอบอกว่าสามชั่วโมงไงยังอยู่ไงแลวหลายโรคเนี่ยยังโรคเบาหวานความดันพ่อครูไม่ใช่ไม่มีนะเบาหวานมีเพราะในอดีตเนี่ยชอบของหวานมากกินเหล้าด้วยอะไรด้วยเนี่ยไอเหล้าไอเบียร์นั่นแหละคือหวานนะมันเป็นของเก่าไงแต่เขาทำอะไรพ่อคูไม่ได้พ่อคูไม่ต้องไปกินยานะทีนี้ เราไปรักษาเบาหวานเนี่ยเขารักษาจริงๆริงเขารักษาเบาหวานกับความดันให้อยู่ก็ให้อยู่กับเราตลอดชีวิตเลยต้องกินยาตลอดชีวิตหแต่เขารักษาให้โรคมันอยู่กับเราเขาไม่รักษาให้มันหายจากเราแล้วสุดท้ายก็ฟอกไตตับทั้งหมดเป็นเพราะยาสารตกค้างเป็นอย่างนี้หมดเบาหวานสุดท้ายเราก็ฟอกไตฟอกแล้วก็ตาย ก่อนจะตายต้องทรมานก่อนคือไม่ใช่คุณหมอไม่ดีแต่ระบบการรักษาทุกวันนี้มันมีธุรกิจนิยมเนี่ยครอบงำอยู่ทุกอย่างเป็นตัวเลขแล้วต้องกินยาเขาตลอดชีวิตเห็นไหมนะพวกะคถึงเปิดวาระวังนะมวัวแต่หาเงินหาเงินมาสุดท้ายหาเงินมารักษาโรคโรคอย่าไปรักษามันเวียงมันทิ้งรักษาชีวิตเราไว้แต่ตอนนี้เขารักษาโรคโรงพยาบาลไหนมีห้องตรวจคนไหมไม่มีมีแต่ห้องตรวจโรค โรคนี้ราคาแค่นี้โูกนี้ราคาแค่นี้คนนี้ไม่มีเงินไม่ได้หาหมอนะหลายปีก่อนมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อน้องเอเพิ่งอายุยี่สิบมีแฟนแล้วแต่ไม่มีลูกเป็นโรคเอ e แอล LE, โรคพุ่มพวงดวงจันทร์นะหมอบอกอีกสองเดือนนะ คุ้มพวงดวงจันทร์จะเอาไปเป็นหางเครื่องหม อ, อไม่ต้องรักษาและไปวัดทําใจซะมีคนก็ส่งเขามาที่นี่เขาก็อยู่กับพระครูสามเดือนอะมันมาในผมร่วงหมดแล้วหน้านี่เกลียวหมดเลยกลางวันเด็กเห็นวิ่งหนีเลยพร้อมยังกับไม้เสียบผีนะอยู่ที่นี่สามเดือนเวียงไปเวียงมามันฟื้นไงผมยาวดําสวยกว่าเก่าพราะเลือดลงมันวิ่ง มันก็ออกไปใช้ชีวิตอีกเก้าปีบังเอิญกรรมของเขานะกรรมเก่าทำไมกรรมเก่าไอ้แฟนคนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นในอดีตเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นสามีในอดีตมันก็เจ้าชูไ้ไงมันฉลาดมากมันรู้ว่าการมีชู้นี่ผิดศีลมันก็เลยไปมกีกิคนทุกวันนี้เนี่ยมันเลี่ยงบาลีนะเลี่ยงกฎหมายเก่งมากนะมันไม่มีชู้มันไปมีกิก ไอ้เจ้าเอก็ทุกอีกเนี่ยก็ไปกินเหล้าไปเที่ยวเตะนะอาการก็เริ่มขึ้นมาอีกตอนนี้มันรู้เลยว่าต้องไปหาใครนะเพราะหมอรักษาสุดแล้วว่าทำใจเถอะอีกสองเดือนตายครั้งสุดท้ายมาอยู่สเดือนไม่ต้องสั่งเลยมันรู้ว่าจะทำยังไงเบียงเบียงเบียงสเดือ น, นเนี่ยพอเดือนสุดท้ายเขาปฏิเสธอาหารทุกชนิด รู้สึก39วันพราะกูจำไม่ผิดนะไม่กินอะไรเลยน้ำนี่ดื่มแค่น้อยแค่คลายระคลายคอยไม่ให้ลงถึงกระเพาะมันอดอาหารไวรักอะไรก็ตายหมดมันไม่มีอาหารกินแต่มันอยู่ได้ด้วยพลังจิตมันก็ฟื้นไงจนวันนี้เนี่ยนับจากวันนั้นถึงมาเนี่ยเกืบอบ2ี่สกว่าปีมันก็ยังอยู่ไงบางอย่างวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าไปไม่ถึง มันเป็นโรคเวรโลค ก, กรรมไม่มียาวิเศษตัวไหนรักษาโรคเวรโลค ก, กรรมนะแต่เราไม่ไปเศษยาพระเจ้าบอกยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่แต่สมัยโบราณเขากินยาสมุนไพรซึ่งขนข้างเคียงมันมีน้อยมาต้มสดๆเลยแต่ยาเม็ดเนี่ไม่มีแม้แต่หนึ่งเม็ดเนี่ไม่มีสารตกค้างมีมากมีน้อยนะสารกันเสียกันลากรากมีกินกน้อยๆไม่เป็นไรถ้ากินบ่อยๆ แล้วเบาหวานความดันค่้ทเรากินตลอดชีวิตแล้วมันจะไปไหนล่ะนี่คือการรักษาไม่มีคุณธรรมเพราะเข้าไปจบอยู่ที่ว่าเขาจะได้อะไรโรงพยาบาลต้องเปลี่ยนห้องใหม่ไม่ใช่ห้องตรวจโรคห้องตรวจคนนะรักษาคนให้มันอยู่เอาโรคให้มันทิ้งเพราะนี่เขารักษาโรคมาอยู่กับเราไงมันเป็นธุรกิจเนี่ยถ้าไม่อยาก ต้องไปกินยาเหล่านั้นเนะี่ยต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคือลาบันประเสริฐและตอนนี้เนี่ยเขาฉวยโอกาสเนี่ยเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์เนี่ยามาเป็นสินค้าหาเงินอันนี้บาปนะหมอถึงเฉลี่ยแล้วอายุสั้น52ปีตายแล้วอันนี้พวกครูไม่ได้พูดเองนะคุณหมอมาที่นี่เยอ ะ, แ, ะแรกๆก็บอกพกครู53าาปีพอผ่านมาไม่กี่ปีบอกมนลดเหลืออยู่หัวห2ปี อ้าวเพรากวาคุณหมอเรียนรู้เรื่องสุขภาพว่ามากที่สุดทำไมคุณหมอบริหารชีวิตตัวเองให้มันยืนยาวไม่ได้หร อ, อคุณหมอก็งงไงเขาเรียนแบบแบบนั้นไม่ใช่คุณหมอดีไม่ดีนะระบบมันเป็นแบบนั้นนะไปรอคุณหมอสามชั่วโมงคิวมันยาวไงตอนนี้ไปโรงพยาบาลใหญ่นะน่าสังเวชมากคุณหมอก็น่าสงสารมากเพราะคนไข้ไม่เยอะ วินิจใช้โรคทุตุตุตุ๊เอายาไปลองเห็นไหมไม่เห็นคนเลยนะเห็นแต่ไข้เห็นไหมมีเรื่องหนึ่งไม่กี่ปีก่อนน่ยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงพวกกูก็อ่านนะมีโจรคนหนึ่งไปป้นเขาก็วิ่งหนีมาตำรวจก็ไล่มันมานะระหว่างทางมันปวดฟันมันก็ผลให้หมอถอนฟันแล้วมันก็หนีมันเอาปืนจี้หมอแล้วมึงรีบทําครับถอนออกมันก็หนี ทีตำรวจเขาก็สืบนะเขาก็มาตามหาว่าเห็นไหมโจรมาเป็นแบบนี้บอกหมอไม่รู้แต่มีคนยืนยันว่ามันเข้าหาหมอฟันทีนี้บังเอิญตํำรวจจับมันได้ก็ให้มันอ้าปากไปถ่ายฟันมันอะเอามาให้คุณหมอดูคุณหมอชงจันได้ใช่ใช่ใช่คุณหมอเห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนไงตอนนี้มันเป็นแบบนี้หมดแล้วนะเราต้องรู้เท่าทันโลก ถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้นนะอัตหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนนะทำให้ตัวเองแข็งแรงนี่คือโปรแกรมกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขนะเร็วๆนี้ก็มีหมอญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรล่ะส่งไลน์ย b ทอะไรก็ชัางนะเด็กๆ เ, เปิดให้พ่อ ก, กูดูมายืนเช็ค ก, กิ้งนะ อ่าครั้งละหนึ่งาทีวันหนึ่งสาครั้งก็พอเขาบอกโรคนั้นก็หายโรคนี้ก็หายหายแค่มาปุ๊บเนี่ยคลิปหนึ่งเนี่ยทุกคนเช็ค ก, กิ้งกับคุณหมอเนี่ยห้าแสนคนภายในไม่กี่วันเห็นไหมคุณหมอเราบางคนเนี่ยเขาก็ส่งไลน์กับญาติธร่ทางมาอุย้ยพ่อครูของฉันเนี่ยสอนมาตั้งหลายปีแล้วก็ถูกแล้วแล้วคุณหมอไทยนี้กำลังทำอะไรอยู่ นะปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีคุณจะมีความรู้แค่ไหนก็ช่างถ้าคุณไม่กล้าแสดงออกคนอื่นเขาจะรู้หรือเปล่าว่าคุณจะรู้ต่อไปคนไทยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคนอื่นเขาคงเอาไปกินหมดล่ะคนเก่งมีเยอะคนไทยแต่คนกล้ามีน้อยกล้าเสียสละกล้าคิดจะส่วนรวมไม่มีเพราะไม่มีเวลาไงนี่แหละเราเครียดไงนะเมื่อวันก่อนพี่กัน จิตอาสาที่กรุงเทพเรานะได้ใส่บาตรชีปถมชีมัธยมคุณแม่ชีเนนเนนประถมเนนมัธยมเนนอุดมศึกษาและพระคุณเจ้านับดวงกับแล้วเก้าสิบลูกกับท่านใส่บาตรใส่บาตรใส่บาใส่บาใส่บาใส่บาใส่บาต ไม่มีเวลาคิดเลยพอใส่แล้วเนี่ยโอ้หน้าแกใสขึ้นมาเลยเป็นบา ร, รมีเลยมีความสุขมากๆมีความสุขเพราะอะไรเพราะได้ใส่บากรางความคิดนี่คืออุบายในการทําทานเมื่อคืนเรานานาจิตตังเราเช็คแอนด์แดนส์กับขนทรายไปด้วยเหงื่อไหลใครย้อยแต่ทุกคนบอกมีความสุข ความสุขมันเกิดจากเราวางความคิดเท่านั้นเองนี่คืออุบายนี่คือเทคนิคกิเลสเราเฮ้ยมาเต้นทำไมลำทำไมมันอายไว้ไอ้นี่คือกิเลสไงเฮ้ยอย่าพูดดังนะเสียบุคลิกภาพเขาจะว่าเรากิเลสไงชีวิตเราเครียดกับสิ่งนี้แต่ก็ไม่ใช่ประเพณีวัฒะธรรมไม่ดีนะมันเป็นอุบายในยการอยู่ร่วมแต่บางครั้งเรื่องส่วนตัวเนี่ยเราต้องปลดปล่อยหน่อยบ้างงั้นมะเร็ง นะคุณวรสิงห์มาฝึกกับพ่อกูหวันแล้วก็บอกว่าเขาไปตั้งชื่อเองเต้นสู่นิพานคนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเนเต้นอย่างนี้เนี่ยมันเรื่องกิเลสมันจะไปสู่นิพานได้อย่างไรเขาเคยแต่ไปเต้นอยู่ในเ็กอยู่ในไนท์คลับอันนั้นเต้นไปเต้นมาชนกันตีกันฆ่ากันนะ่อันนั้นเต้นด้วยอารมณ์สนุกสนานขาดสติเราเต้นด้วยสมาธิสติอารมณ์มันออกเราเห็นอารมณ์ชัดเราเกิดปัญญา เต้นเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันทีนี้หมอญี่ปุ่นคนนั้นเช็คและแดนเออมีท่าสันมมอมีข่าเอาขาตีบนะตอนนี้มีฝรั่งวันนั้นพระครูฉายให้ดูหลายคลิปตอนนี้เออไปทั้งโลกนะนะพระครูยินดีใครทำก็ได้ขอให้เอาไปใช้แต่เขายังใช้สมองทำอยู่ไม่ไม่ต่างะไรที่เราเต้นอราบิกเป็นเนจะไว้ตัวสั่นจะเทือนนี่มันไปทั่วล่างหน่อยหนึ่ง มันได้กายภาพแต่เขายังเข้าไม่ถึงจิตถ้าเราเช็คกายจิตรวมพลังกันนะถ้าเราแดนซ์กายจิตรวมพลังันกลายเป็นมหาสติประฐานนะคือพวกกูเรียกว่าอินไซ์เอาจิตเป็นตัวสั่งนะกายภาพได้ด้วยปรับสมบุร์อารมณ์ได้ด้วยนะจิตอินทรีย์พลัของจิตมีกำลังมากขึ้น อย่างเมื่อคืนเขาพูดบอกว่าเนี่ยที่เราเต้นๆๆเต้นเต้นเี่ยถ้าเราชำนาญแล้วไม่ใช่ฉักว่าเต้นนะขามันกระทบผัสสะอยู่แล้วเนี่ยแข็งปุ๊บอันนี้กิเลส ข, ข้างนอกจับมันโยนทิง้งกิเลส ข, ข้างในมันเหนื่อยรู้เฉยเฉยอย่าไปเหนื่อยตามมันนี่คือมหาสติประทานแต่เราไปคุนเคยว่าฝึกสมาธิต้องนั่งนิ่งๆเงียบๆสํารวมเหมือนหุ่นยน ข้นอกดูเหมือนสํารวมล้วเข้าใจว่าสํารวมไปว่าเรียบร้อยหรือมีมารยาทเราแปลผิดหมดเลยสํารวมไปว่าระวังไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นคนนี้นั่งเรียบร้อยพูดใส่สเสน่ห์มหานิยมไปด้วยนะโอ้ยเค็มเลยแต่จิตใจนั้นคิดจะหลอกเขาคนที่ไม่สํารวมเลยสํารวมคือระวัง ไม่ใช่บุคลิกภาพข้างนอกนะภาษาเิียบทในสํารวงไม่เหมือนลิงเลยนะแต่เปี่ยมด้วยปัญญาเนี่ยเราแปลภาษาผิดเราก็เลยไปประทำผิดก็ไปหลงติดมันมันก็ไม่ก้าวหน้าคําว่าหลุดพ้นเนี่ยถ้ามันยังติดอะไรอยู่มันจะหลุดพ้นไม่ได้จิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมถ้าติดมารยาทติดวิธีการติดถูกติดผิดแล้วเนี่ย เราหลอกคนอื่นได้แล้วหลอกจิตเราไม่ได้หลอกทําไปกี่ร้อยปีมันก็อยู่เหมือนเก่านะปลดปล่อยทีนี้พอปล่อยแล้วไม่ใช่สมองเราสั่งการนะจิตแต่ละดวงเนี่ยเขารู้เลยว่าร่างกายนี้ซึ่งเป็นเครื่องมือเดินทางของเขาเนี่ยตรงไหนมันบกพร่องบ้านหลังนี้เออมันรั่วปุ๊บเขาก็ซ่อมอย่าใช้สมองง่ๆเราไปสั่งจิตจิตมันรู้เองตอนนี้ต้องทาท่านี้ต้องมีทําท่านี้ต้องทําท่านี้ ทุกคนต้องไม่เหมือนกันมันคล้ายๆกันแต่รายละเอียดมันไม่เหมือนกันเพราะว่าพระบม่มคือปัญหามันต่างกันนี่คือเป็นเรื่องของปัญญาของจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเขาจะไม่มีวันทําลายร่างกายนี้ร่างกายนี้คือเครื่องมือเดินทางของเขาเขาเกิดมาเพื่อเดินทางต่อแต่เราเอาร่างกายนี้ไปสร้างอนาคตไปเรียนเกือบยี่สิบปีฮะ ออกมาทํางานอีกสี่สิบปีนะเพื่อหาเงินก้อนนึงเอาไว้กินเกษียณตอนตอนตอนแก่แค่นั้นน่ะมนุษย์ตราแค่นั้นน่ะถ้าอย่างนั้นไปเป็นลิงดีกว่าไปเป็นทาสานดีกว่าไม่ต้องมีเจ้านี้ลูกนี้ไม่ต้องกังวลอะไรเลยเห็นไหมเพราะเราไม่รู้ว่าสาเหตุของการเกิดคืออะไรเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อเพื่อพ้นทุกเราเดินทางมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่ตอนนี้เราเกิดมาเขาจับเราไปเรียนหนังสือเพื่อเรียนวิชาการเพื่อเป็นเครื่องมือในการหาเงินเพื่อสร้างอนาคต แล้วก็ตายเปล่าบางทีไม่ตายเปล่าเยเฉยนะบัานปลายชีวิตก็ต้องมาเจ็บปวดทุกทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดก็คือเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเกิดมาทาไมตายแล้วไปไหนนั่งที่นี่ใครรู้บ้างว่าตัวความสุขเป็นยังไงวันไหนรู้ช่วยถ่ายภาพให้พระกูเห็นว่าถจ้าพระกูดูหน่อยหนึ่งว่ามันเป็นอย่างไร มันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรทุกคนมุ่งหาความสุขหมดชีวิตสำเร็จก่อนค่อยสุขไงแล้วสุขจริงไหมนะเพราะครูเห็นแล้วเนี่ยคนรวยที่สุดในโลกหนึ่งใน1ิเนี่ยนะเขาก็ยังทุกข์อยู่เราถูกใส่โปรแกรมผิดเข้าไปเนี่ยมันเป็นอวิชานะแล้วก็มีตัวตนมีอัตตามาแล้วก็แตะต้องไม่ได้นะยิ่งมีความรู้เยอะเนี่ยท่านเป็นใครเป็นศา ส, สาจารย์เป็นด็อกเตอร์ เป็นเศรษฐีเป็นประธานไม่เป็นคนละแค่เป็นคนแล้วเนี่ยแบกขันห้านี่ก็ทุกข์แล้วยังจะใส่หมวกไป น, นู่นเป็นนี่แต่ต้องไม่ได้โกรธแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรถ้าการศึกษาคือตอบโจทย์ว่าคุณเรียนสูงสุดแล้วคุณจะสําเร็จในชีวิตและเธอจะมีความสุขเนี่ยเลียงกันเยอะๆเห็นไม่จบแล้วนี่ทำไมทะเลาะ ก, กันอยู่ไม่ใย่ทะเลาะ ก, กับคนอื่นนะบางทีทะเลาะเนี่ยเอาเมียมาแกล้เนื้อก็มี จบสูงุดคุยกันไม่รู้ภาษายิ่งตอนนี้สังคมไทยไปเหอเหอสากลนะจะไปสากลกันเรียนภาษาอังกฤษกันใหญ่เลยเราไปเข้าใจว่าเรียนภาษาอังกฤษแล้วเราจะสำเร็จในชีวิตเราเข้าใจผิดร้อยปอร์ถ้าภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยสำเร็จในชีวิตประเทศอังกฤษเป็นประเทศแม่ของภาษาอังกฤษต้องไม่มีกรรมกร แค่เราไปท่องจำความรู้ของภาษาชาติหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้ทำให้เราเกิดทักษะชีวิตมันไม่ได้ทำให้เราเกิดปัญญาอะไรเลยมิสเตอร์ซูซูกิอดีตประธานบริษัทซูซูกิเนี่ยจบป .4 บิลเกตไม่ได้จบป ร, ริญญาสตีฟจอห์ไม่ได้จบป ร, ริญญาถ้าเรายึ่งเรียนเยอะมันจะมีให้เราเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์มองมุมเดียวเนี่ยไม่กล้าคิดนอกกรอบเลย เพราะว่ากลัวผิดหลักวิชาการปัญญาที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเรีวยกว่าสัญชาตญาณเดิมเราเนี่ยถูกบล็อกไว้ด้วยความรู้ผิดก็คือเอาวิชายิ่งเรียนยิ่งอัตตาเยอะแต่ผู้เจ้าสอนให้เราเนี่ยยิ่งปฏิบัติยิ่งอัตตาน้อยวันที่ผู้เจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดไนคือวันวิสาขาบูชานะวันที่พระองค์ไม่เหลืออะไรเลยเจ้าชายสิทธัตถะถูกฆ่าทิ้งในเวลานั้น เวลานั้นคนเป็นเจ้าชายยุทธะตายตัดสรุเวลานั้นผู้เจ้าเกิดเวลานั้นในวินาทีเดียวกันแต่ตอนนี้ทางโลกมันสอนคนละแบบยิ่งสอนยิ่งอัตตาเยอะนะมันก็ทุกแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับโลกบางทีเราไม่เรียนบ้างก็ไม่ได้แต่ต้องเรียนให้มันรู้นะอย่าไปเรียนยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้นะคุยกันเป็นรู้ภาษา อันนี้ต้องไปพิจารณานะเพราะกูมีหน้าที่ให้ข้อคิดมันไม่ใช่อุดมการลัดที่อะไรปัจญญาอะไรทั้งนั้นแหละเพราะกูก็ประสบการณ์ของพวอครูเองเนี่ยมาแบ่งปันไม่เกิดจากพ่อกูเองจริงๆ40ปีวิ่งไปตามโลกคิดยังไงทํำยังไงไม่ใช่คิดเฉยๆทามาเละเลยและบังเอิญบุญเก่ามันก็ส่งผลอยากได้อะไรก็ได้เนี่ยมันบอกสุขซี่สุขซี่พ่อครูหาความสุขไม่เจอไงแต่27ปีมาอยู่ที่นี่เนี่ย พราครูก็ไม่เห็นตัวทุกข์ด้วยเช่นกันสงไม่มีทุกข์ไม่มีที่มันมีเพราะเราไปยึดมัน่นถือมัน่นเราไปยอมรับมันมีมันก็มีไงนะอันนี้ก็ประสบการณ์แล้วก็ให้เรารู้ว่าเรามาทําอะไรเอ๊ะทำไมมันแผงแผงแปลกๆปฏิบัติธรรมเขาต้องสมรวมสิเอ่อต้องมีหนึ่งสองสาสี่ห้ทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดอันนั้นไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรม อันน้นเรียกฝึกวิชาสมาธิสติแล้วก็มีหลายเทคนิคเขาบอกได้เวลาโอเคได้เวลาก็จากนี้ไปแล้วก็ร่วมกันนะทำพิธีถวายพระกริิน